เรื่องสมาคมถวายชิ้นมะม่วงสมัยนั้นสมาคมหนึ่งถวายสังขพัดใส่ชิ้นผลมะม่วงในกับข้าวภิกษุทั้งหลายยำเกรงอยู่จึงไม่ยอมรับประเคนภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอรับประเคนฉันเถิดภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตมาม่วงเป็นชิ้นชิ้น